จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่ทานวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมัตสวนะวันฟังธรรมวันเติมสเสบียงให้แก่จิตใจ จิตใจมีความจำเป็นที่จะต้องมีสเสบียงไว้หล่อเลี้ยงถึงจะอยู่อย่างโน้มเย็นเป็นสุขเหมือนกับร่างกายที่ต้องมีปัจจัยสี่คือต้องมีอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งหม่มใจก็เช่นเดียวกันใจก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่ม มีที่อยู่อาศัยและมียารักษาโรคพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันธรรมรสวรรควันพระให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ปล่อยวางธุรกิจที่เกี่ยวกับทางสบียมของร่างกายให้มาทาธุรกิจที่เกี่ยวกับสบียงของจิตใจ คือให้มาทำบุญให้มารักษาศีลให้มานั่งสมาธิให้มาเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะการกระทำทั้งสี่ประการนี้เป็นการให้ปัจจัยสี่กับจิตใจนั่นเองการให้ทานนี้ก็เป็นการให้อาหารแก่ใจการรักษาศี ก็เป็นการให้เครื่องนุ่มหอมที่สวยงามให้แก่ใจการนั่งสมาธิก็เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ใจการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาก็เป็นการให้ยารักษาโรคใจนี่คือปัจจัยสี่ของใจพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระ วันธรรมสวนรนี้ให้ญาติโยมได้ปล่อยวางภารกิจทางร่างกายแล้วก็มาทำภารกิจทางจิตใจทุก8วันเจดวันหรือ6วันตามปฏิทินทางจันทราคติคือวันขึ้นแรง8ข้างขึ้นแรง15้าขงหรือวันแรง14บ่ข้าง ส่งได้บัญญัติว่าเป็นวันที่จะให้ญาปโยมาเติมสเสบียงให้แก่จิตใจถ้าไม่ได้เติมแล้วจิตใจจะมีแต่ความว้าวุ่นขุนมัวมีแต่ความทุกข์มีแต่ความหิวดังนั้นพวกเราจึงควรถือวันพระนี้ เป็นวันสำคัญของเรายิ่งกว่าวัน อ, อื่นควรจะกําหนดวันพระขึ้นมาสักหนึ่งครั้งในระยะหนึ่งอาทิตย์เพราะสมัยนี้เนื่องจากการทำงานนี้บางครั้งวันหยุดไม่ตรงกับวันพระเพราะวันพระนี้จะหยุดเลื่อนไปเรื่อยๆตามวันขึ้นแรงเช่นวันนี้ ก็ตรงกับวันจันเดี๋ยวข่าวหน้าท้าวต่อไปก็วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเคลื่อนไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่ต้องทำงานก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาเติมสเสบียงให้แก่ใจใจจึงมีแต่ความรุ่มร้อนว้าวุ่นขุ่นมัวมีแต่ความหิวความอยากถึงแม้จะได้อะไรมามากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอเพราะใจไม่ได้อาหารสิ่งที่เราหามาให้นั้นเป็นอาหารของกิเลสเช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างนี้เป็นการเอามาเลี้ยงกิเลสตัณหาเพราะเป็นความต้องการของกิเลสตัณหานั่นเองของอะไดที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ แล้วเราอยากได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นตัณหาเป็นกิเลสเช่นเสื้อผ้าถ้าเรามีพอเพียงแล้วมีมากเกินความจำเป็นแล้วแต่เรายังอยากได้อีกอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอเอามาเลี้ยงกิเลสตัณหาให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นกิเลสตัณหาใหญ่ขึ้นโตขึ้นมากเพียงใดความหิวความอยาก ความต้องการก็จะเติ้ลก็จะโตเพิ่มขึ้นไปตามลาดับมันไม่มีน้อยลงความหิวความต้องการความอยากไม่แน่แน้อยลงจากการที่เราเลี้ยงดูกิเลสตัณหาด้วยการทำตามความต้องการของกิเลสตัณหาใจของเราจึงมีแต่ความหิวความกระหายอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าใจเราไปทำไปหาสิ่งที่ กลสตัณหาต้องการโดยไม่ถูกศีลธรรมเช่นไปทำบาป ก, ก็จะกลายใจก็จะกลายเป็นเปรตไปเปรตนี้ท่านบอกว่าเป็นใจที่มีแต่ความหิวเป็นใจที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีฮิริโอตปะไม่กลัวบาปไม่ละอายบาปกล้าทำบาปเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ตนอยากได้ อย่างที่เราคงจะได้ยินได้ฟังตามข่าวคนที่ไปรับขโมยไปพ้นไปจี้ไปประพฤติผิดประเวณีไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปโปกหกหลอกลวงไปประพฤติอ่านี่เป็นการกระทำของเปรตถ้าทำด้วยความอยากความต้องการด้วยความหิวเนื่องจากเปรตไม่เคยรู้จักการทำบุญนั่นเอง ตายไปก็เลยต้องรอให้คนที่อยู่นี้ทำบุญอุทิศส่งไปให้เพราะบุญนี่แหละเป็นอาหารของดวงวิญญาณของใจถ้าใจในขณะมีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญทำแต่บาปทำแต่เอาแต่เอาแต่สิ่งที่อยากได้ออกของฟุ่งเฟือยต่างๆที่ไม่จาเป็นพวกนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นพวกเปรต ตายไปก็จะมีแต่ความหิวความอดอยากขาดแคลนต้องมาขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องจากญาติสนิทมิตรสหายและบุญที่ได้จากญาติสนิทมิตรสหายนี้ก็ไม่มากเหมือนกับบุญที่ทำเองในขณะที่มีชีวิตอยู่บุญที่ญาติโยนอุทิศไปให้เปรตนี้เป็นเพียงเซี่ยวเดียว ของบุญที่ญาติโยมทำกันวันนี้เช่นวันนี้ทำร้อยบาทก็จะอุทิศไปได้เพียงบาทเดียวเพราะว่าต้องส่งไปทางไปสนีนั่นเองเอาเงินใส่ซองไปใส่ไปมากไม่ได้ใส่ไปได้แค่บาทเดียวเงินบุญอุทิศเป็นลักษณะอย่างนี้นะเปรจรึงต้องคอยรอบุญอุทิศไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกรรมของตนแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ทำแบบเดิมอีกทำบาปทำกรรมอีกตามความอยากความต้องการต่างๆเพราะไม่เคยทำบุญไม่เคยรักษาศีลมาก่อนนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพุทธศาสนิกชนให้ทำบุญให้รักษาศีลอย่าไปทำบาปให้ทำบุญแล้วจะไม่มีความหิวอยากมากจนเกินไป ถึงแม้จะมีความหิวความอยากก็จะหามาด้วยวิธีที่ไม่ผิดสิงผิดธรรมก็จะไม่ได้เป็นเป็นเปรแต่จะได้เป็นเทพถ้ารักษาศีลได้ทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆใจก็จะมีความอิ่มมีความสุขนี่คือใจของเทพเทพจะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นขอให้เราหมั่นทำบุญกันอยู่เรื่อยๆ อย่างน้อยก็วันพักละหนึ่งครั้งแต่ถ้าทําได้มากกว่านี้ยิ่งดีใหญ่เพราะเราจะได้เป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณได้เป็นเทพขั้นสูงขึ้นไปตามลําดับดังนั้นขอการให้ทานนี้จึงเรียกว่าเป็นการให้อาหารแก่จิตใจเพราะเมื่อให้แล้วจะเกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมา เกิความสุขใจขึ้นมานั่นเองส่วนศีลนี้เรียกว่าเป็นอาภรณ์เป็นเสื้อผ้าของใจคนเราจะสวยหรือไม่สวยจะน่ารักหรือไม่น่ารักนั้นอยู่ที่ว่ามีศีลหรือไม่มีศีลนี่เองถ้าไม่มีศีลต่อให้หน้าตาสวยงามขนาดไหนใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนก็ตาง ก็จะไม่มีใครรักใครชอบมีใครชอบคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างมีใครชอบคนรักทรัพย์บ้างมีใครชอบคนประพฤติผิดประเวณีบ้างมีใครชอบคนโกโหกหลอกลวงบ้างมีใครชอบคนเสพสุราจนมึนเมาบ้างไม่มีใครชอบคนเหล่านี้หรอกเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่น่ารังเกียจทำตัวเป็นพิษเป็นภัย เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนั่นเองถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรานี้มีคนรักเรามากน้อยเพียงไร<ๆ>ก็ขอให้ดูที่ศีลนี่แหละเป็นสาคัญถ้าเราไม่มีศีลหรือมีศีลน้อยคนก็จะรักเราน้อยไว้ใจเราน้อยถ้าเรามีศีล ม, มากเขาก็จะรักเรามากไว้ใจเรามาก เช่นพระพุทธเจ้าพระอาาริยสงสาวกทั้งหลายนี้พวกเราเคารพรักท่านเพราะเรารู้ว่าท่านมีศีลท่านไม่เคยพูดปดงดเ ท, ท็จท่านไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านไม่เคยรักทรัพย์ไม่เคยประพฤติผิดตัวเองนี้ไม่เคยเสพสุรายาเมานั่นเองจึงเป็นที่กราบไหว้บูชาของ สาธุชนทั้งหลายถ้าเราอยากจะให้คนรักเราชอบเรานับถือเราเชื่อถือเราเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้คือต้องรักษาศีลห้าละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการพูดปกมรเท็จละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประเพิดผิดตัวเวณนี ละเว้นจากการเสพสุรายามาถ้าเรารักษาศีล5ได้เราก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดราาัจฉานหรือตกนรกถ้าเราท ำ, ทำบาปเพราะเรามีความอาฆาตพยาบาทตายไปเราก็ต้องไปตกนรกถ้าเราทำบาปเพราะ มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะไปเป็นเปรตถ้าเราทำบาปเพราะเราคิดว่าจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำแล้วจะอดตายเช่นไปยิงนกตกปลามาเป็นอาหารหรือทำอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าเราฆ่าทำบา เรากลัวกลัวว่าเราจะลําบากลําบนกลัวว่าเราจะตายกลัวว่าเราจะเดือดร้อนตายไปก็จะไปเกิดเป็นผีหรือเป็นอสุรกายนี่คือภพของอาบายมีอยู่สี่ภพคือเดรัจฉานอสุรกายเปรตและนรกเกิดจากการทําบาปด้วยเหตุผลต่างๆ ทำบาปเพราะไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะเพราะเพราะอยากจะมีอาหารพอเพียงก็เลยต้องไปยิงนกตกปลาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเป็นอาหารอย่างนี้ตายไปก็จะเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภทั้งๆั้งที่มีพอมีพอกินแล้วแต่ยังอยากมีมากๆ ก็ตายไปก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปเพราะกลัวกลัวว่าจะถูกคนนั้นทาร้ายกลัวว่าจะเดือดร้อนลาบากลําบนก็เลยทำบาปอย่างนี้ก็จะเป็นผีเรียกว่าเป็นอสูรลกายถ้าถ้าทำบาปเพราะความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทตายไปก็ต้องไปตกนรกนี่คือที่ไป ของผู้ที่ไม่รักษาศสดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาศี่ขอให้เราจเจริญฮิริโอตปะคือความอายและความกลัวบาขขอให้เราคิดว่าเวลาที่เราไม่มีศี่นี้ก็เป็นเหมือนกับเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เราจะละอายคนอื่นเราไม่อยากจะออกนอกบ้านโดยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเอาหอ่อรไม่มีใครออกนอกบ้าน โดยไม่ใส่เสื้อผ้าอาภรเพราะอายชาวบ้านนั่นเองอายเขาจะตำหนิอายเขาจะว่าเราดีเป็นคนเสียสติชันใดคนที่ไม่มีศีลก็เป็นอย่างนั้นเป็นคนที่เหมือนคนเสียสติคนที่ไม่มีความรับผิดชอบคนที่ไม่มีใครก็อยากจะอยู่ใกล้ด้วยถ้าเราอยากจะให้คนเหนื่อยเขารักเราชอบเรา ไม่ตำหนิไม่ดา่าไม่ว่าเราเราก็ต้องพยายามรักษาศีลให้ได้นี่คือฮิริความอายส่วนโอตตปะความกลัวคือกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันพอทำบาปแล้วใจก็จะมีความวิตกกังวลเป็นเหมือนวัวสังลังหวัด ทำบาปทำผิดแล้วก็กลัวเขาจะจับได้พูดปด totally. แล้วก็กลัวเขาจะจับได้รักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็กลัวว่าจะถูกเขาจับได้ประพฤติผิดประเวณีแล้วก็กลัวว่าจะถูกจับได้นี่ก็เป็นความทุกข์แล้วความสุขที่ได้จากการไปทำบาปนั้นได้ดีใจเดียวเดียวได้ทำแล้วมีความสุขใจเดียวเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มาวิตกกังวลห <ods! S 1> วาดกลัว กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นผลที่เกิดจากการทําบาปในปัจจุบันส่วนผลที่จะตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วก็คือต้องไปเกิดในอบายไปใช้กรรมตามตามเหตุที่ได้ทำเอาไว้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสูรลกายบ้างไปตกนรกบ้างทําแล้วก็ลบล้างบาปไม่ได้ ไม่มีใครลบล้างบาปได้และนอกจากนั้นอยู่ในปัจจุบันก็ยังถูกจองล้างจองผรานจองเวรจองกรรมเพราะฉะนั้นอย่าไปทำบาปทำแล้วล้างไม่ได้สะดเดาะเคราะห์ไม่ได้เวลาหมอดูบอกว่าให้ไปสะดเดาะเคราะห์ด้วยการไปถวายสังฆทานนี้สะเดาะไม่ได้เวรกรรมนี้เขายังตามมาอยู่ถ้าเขาตามทันเขาก็จะ จัดการกับเราได้ถ้าเขาตามไม่ทันก็ลอดไปวันหนึ่งแต่วันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะตามมาทันหรือไม่วิธีที่จะสะเดาะบาปกรรมก็คือสะดอเดาะเคราะ์ก็คืออย่าไปทำบาปแล้วในอนาคตก็จะไม่มีเวรกรรมตามมาส่วนเวรกรรมที่เกิดจากการทำในอดีตนี้ทำบาปในอดีตนี้ ก็ต้องจำใจยอมรับมันแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกก็ยังต้องรับเคาะกรรมเวรกรรมมีพระเทวทัตยพยายามปองร้ายพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันพระโมคคัลลานนท์ก็ถูกเขาฆ่าตายทั้งๆ ท, ที่ท่านมีอิทธิฤทธิ์ถ้าจะใช้อิทธิฤทธิ์หนีจากการปรองร้ายก็ทําได้แต่ท่านคิดว่า หนีได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ตามใดที่เขายังไม่ได้ทําร้ายเราเขาก็จะตามมาทําร้ายเราจนกว่าเขาจะทําได้เมื่อเขาทําร้ายเราแล้วเขาก็จะไม่อยากจะมาทําร้ายเราอีกแล้วดังนั้นเมื่อเรามีเวงมีกรรมก็อย่าไปหนีทําใจสู้เสือดีกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคิดว่าอย่างมากก็แค่ตาย เพราะว่าเกิดมายังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วตายแบบนี้ดีกว่าอยู่แบบทุลนทุรายคอยหลบคอยซ่อนคอยหวาดกลัวหรือต้องกลับไปทําบาปทํากรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาทําร้ายเราก็เลยเป็นการสร้างเวรกรรมสองชั้นขึ้นไป เ, เวรเก่ายังไม่หมดนี่ไปสร้างเวรใหม่ไปฆ่าเขาอีกแล้ว เ, เดี๋ยวชาติหน้าเขาก็ตามมาฆ่าเราสองครั้งสองคราด้วยกัน นะวิธีที่จะวิธีที่จะรับเวรรับกรรมก็คือทำใจให้สงบทำใจให้ตั้งมั่นปรงทว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทำบาปใหม่ทำกรรมใหม่ ใช้กรรมเก่าไปพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดทำร้ายพระเทวทัตเลยกับใช้พระเมตตาใช้อุเบกขาใช้ปัญญาต่อในการต่อสู้มาปัญญาก็พูดสอนเข้าให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการฆ่ากันถ้าสอหรือว่าใช้อุเบกขาก็ทำใจให้เฉยหรือไม่เช่นนั้นก็แผ่เมตตา มีแต่ความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขถ้าการฆ่าเรานี้เป็นความสุขของเขาก็ให้เขาฆ่าไปนี่คือวิธีที่เราจะสนอดที่เราจะรับผลของวิบากกรรมโดยที่เราจะไม่เดือดร้อนใจเลยหรือถ้าเราไม่อยากจะมีบาปมีข้อกรรมตามมาก็อย่าทำบาปให้มีโอดตะบะให้กลัวบาปมากๆ นี่คือเรื่องของการมีศินเพื่อที่เราจะได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามให้ใจไว้สวมใส่จะเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่มีเชื่อใจของคนทั้งหลายส่วนปัจจัยข้อที่สาที่เราต้องมีก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธินี่เองความสงบ เวลาใจเราสงบแล้วเหมือนเราได้อยู่บ้านข้างนอกจะแดดร้อนเพียงไรจะมีเหตุการณ์รุนรุนแรงวุ่นวายอันตรายมากน้อยเพียงไรเวลาเราอยู่ในบ้านเราก็ปลอดภัยชั้นใดเวลาจิตเรามีความว้าวุ่นขุ่นมัวเดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆกังวลกับเรื่องราวต่างๆ พอเราทำจิตใจให้สงบเข้าสมาธิได้เรื่องราวต่างๆนั้นก็จะหายไปเข้ามาภายในใจไม่ได้ใจไม่รับรู้ชั่วคราวนี่คือที่อยู่ของใจเวลาเรามีปัญหามีอะไรแก้ไม่ได้ปงไม่ได้ก็เข้าไปในสมาธิก่อนหลบภัยก่อนทำจิตใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือด้วยการสวดมนต์หรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆรำนับดับความคิดไว้ชั่วคราวแล้วใจของเราก็จะเย็นจะสบายไม่มีไม่มีปัญหาอันใดทั้งสิ้นพอออกจากสมาธิแล้วกลับไปมองเรื่องเดิมก็อาจจะเห็นทางออกได้เพราะปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ว่า เราอยากจะแก้าตามใจกิเลสตามใจของเราท่านั้นแต่วิธีแก้ปัญหา ท, ท, ท, ที่แท้จริงนี้ต้องแก้ด้วยธรรมะคือต้องรู้จักปล่อยวางรู้ว่าเออเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้เมื่อก่อนนี้เวลามีกิเลสนี้เราคิดว่าจะต้องมีมันมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เราถึงจะอยู่ได้ถึงจะมีความสุขพอเราต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป เราก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาพอเราเข้าไปในสมาธิปั๊บความวุ่นวายใจก็หายไปพอออกมาก็ได้สติว่าเออเมื่อกี้นี้เราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เขาจะเป็นเขาจะอยู่เขาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนนี่คือการแก้ปัญหาต้องมีสมาธิก่อนต้องมีความสงบก่อนพอใจสงบแล้วใจก็จะได้สติขึ้นมารู้ว่า ใจนี้ไม่มีอะไรก็มีความสุขได้เพียงแต่ใจขอให้มีความสงบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนี่คือวิธีนี่คือที่อยู่อาศัยของใจคือสมาธิพยายามเจริญสมาธิฝึกสมาธิให้ชำนาญให้สามารถเข้าออกได้อย่างทุกเวลาต่างที่เราต้องการเหมือนกับบ้านที่เราสามารถเข้าออกบ้านได้ตลอดเวลา พราเรามีกุญแจเวลาเราจะเข้าบ้านเราก็ไขกุญแจปั๊บเราก็เข้าบ้านได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกุญแจเวลาจะเข้าบ้านนี้ก็เข้าไม่ได้ฉันใดสมาธิก็เป็นเหมือนบ้านที่เราต้องมีกุญแจเปิดเข้าไปกุญแจที่จะเปิดเข้าไปบ้านนี้เรียกว่าสติเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องควบคุมใจของเรา ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ให้อยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปให้ใจลอยไปรอยมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่หรือขณะนี้กำลังฟังธรรมก็ให้อยู่กับการฟังธรรมอยู่ถ้าฟังถ้าฟังธรรมด้วยสติแล้วใจจะสงบใจจะเข้าห้องได้เข้าห้องเข้าบ้านได้ ก็เรามีสติอยู่กับการฟังนั่นเองเวลาทํางานทําการเรามีสติอยู่กับการทํางานทําการใจก็จะสงบไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวและเมื่อเวลาที่เราต้องเข้าบ้านตลอดอย่างเต็มที่เราก็จะเข้าได้อย่างเต็มที่เลยอย่างนั้นขอให้เราพยายามเจริญสติอยู่ทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ อย่ามาเจริญสติในขณะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะจะไม่พอเวลาไม่พอกว่าที่จะไขกุญแจได้ก็หมดกำลังแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากจะนั่งแล้วแต่ถ้าเรามีกุญแจเรารู้จักวิธีไขประตูไขกุญแจพอถึงเวลาเราก็ไขได้ทันทีเลยเข้าห้องได้ทันทีเลยนี่คือการ สร้างบ้านสร้างเรือนของเราก็คือการจเจริญสมาธิขอให้เราพยายามหัดทำทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งก็ยังดีเชา้ชาเช้าก็เดินขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิก่อนไปทำงานเย็นก่อนจะนอนก็นั่งสมาธิทําอย่างนี้ไปแล้วต่อไปเราจะมีที่หลบภัยหลบความทุกข์ต่างๆส่วนปัจจัยสี่ข้อที่สี่ ของใจก็คือธรรมโอสถยารักษาโรคใจก็คือปัญญานี้เองปัญญาคืออะไรคือความฉลาดความรู้รู้วิธีดับทุกข์ทุกเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงเกิดจากความอยากในสิ่งที่หลงในสิ่งที่ไม่สมอยากนั่นเองอะไรคือสิ่งที่ไม่สมอยาก ก็สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่สมอยากได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักคำว่าพอเพราะสิ่งต่างๆนั้นเขาไม่ได้เป็นอาหารของใจนั่นเองได้มามากน้อยเพียงใดก็ยังอยากได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเราอยากแล้วเวลาไม่ได้เราก็มีความทุกข์ใจหรือเมื่อเรามีแล้ว เราต้องเสียสิ่งที่เรามีไปเราก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสอนใจว่าอย่าไปอยากกับอะไรเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์มีอะไรก็ให้มี บ, บความพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ให้มักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเราจะไม่ทุกข์ใจถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้อย่างมากก็แค่ตาย ทุกคนไม่มีใครไม่ตายมีมากก็ตายมีน้อยก็ตายแต่คนที่มีความมากน้อยสันโดษยินดีตามเกิดนี้จะไม่ทุกข์ใจมีน้อยก็ไม่ทุกข์ใจมีมากก็ไม่ทุกข์ใจอดตายก็ไม่ทุกข์ใจแต่คนที่มีความอยากนี้มีมากก็ยังมีความทุกข์ใจเพราะไม่พอมีน้อยก็มีความเสียใจ เวลาจะตายก็มีความทุกข์ใจเพราะมีความอยากจะอยู่ต่อไปนั่นเองดังนั้นเราต้องสอนใจเราอย่าไปอยากกับอะไรให้มีความให้รู้จักมักน้อยสัมโดยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับชีวิตของเราอายุสั้นอายุยาวก็พอใจกับมันถ้าถึงเวลาจะต้องตายก็พอใจกับมันอย่าไปกลัวตายไม่มีใครไม่ตาย ทุกคนเกิดมานีตายกันหมดแต่จะตายแบบไหนจะอยู่แบบไหนอยู่กับความทุกข์อยู่กับความกลัวหรือจะอยู่กับความไม่ทุกข์อยู่กับความไม่กลัวเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าภาษาวงกทั้งหลายท่านอยู่กับความไม่กลัวเพราะท่านมีความสำดุท่านยินดีตามมีตามเกิดพวกเราก็สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ทุกข์กับความตายได้ ถ้าเรายินดีตามมีตามเกิดอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยู่ไปเท่านั้นเมื่อหมดเวลาก็ให้มันไปไม่เป็นปัญหาอะไรใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไปกลัวทำไมใจไม่มีวันตายมีแต่ทุกข์หรือไม่ทุกข์เท่านั้นเองถ้ามีปัญญาก็ไม่ทุกข์ก็จะไม่เจ็บไข้าทางจิตใจความทุกข์นี้ก็คือความเจ็บไข้าทางจิตใจ ส่วนปัญญาก็คื อ, อยารักษาโรคใจนี้ดังนั้นปัญญาต้องคอยสอนใจให้ปล่อยวางอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่ <c oughs> ไม่จำเป็นหรือไม่อยู่ในความสามารถของเราให้พอใจกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราได้รับแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ใจนี่คือปัจจัยสี่ของใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเติมกัน ทุกวันพระคือทานศีล ส, สมาธิและปัญญาถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดชีวิตของเราก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและถ้าเราทำได้มากเราก็จะสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจสร้างความอิ่มสร้างความสุขที่ถาวรให้กับใจเราจึงขอฝากเรื่องของการมา วัดในวันพระเพื่อม า, ตามเติมเสบียงคือปัจจัยสี่ของใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุสมผลบุญที่ท่านได้มาดำเนินบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนัสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ